ไปาาใจสงออกไปแต่ า, ต า, ามนคนขาส่งห เ, เหตที่เกิดมาทางเนี่ยมันไม่ส่งออกปมัน ล, เเลาายเถดลอยดนออกไปอย่างนั้นเออาศัยการบริกรรมแต่บริกรรมพุทโธทำโมสังโคหรือตาตาก็ได้ในจิตมันสัมผัสกับทำบริกรรมอยู่นั้นในาจในจิตนอกจิตไปรเรื่องอื่นถึงเกิดขึ้นผานมอยากไปจิดตาม <ersch> เรื่องต่างๆหมายถือว่าธรรมาริยกรรมของเราเน้นเป็นเรื่องสาคัญยิ่งกว่าจิตถั่วใเราไปจิตในการคิดจิตท่องใจอะไรผ่านมาจะลธรรมาริยกรรมไปเสียตามไปนิดๆหน่อยๆก็หายไปจธรรมาริกรรมใหม่อยู่อย่างนั้นนั่นหายถึเหตุการณ์ แต่ผูกใจนั้นบริกรรมอยู่นั้นจนใจของเราอยู่กับธรรมบริกรรมสัมผัสอยู่นั้นไม้ออกไปเรื่องอื่นผลที่สุดหน่วจิตส้มผัสกับธรรมบริกรรมของตัว อ, อยู่เยื่งนอกในน้อยยิ่งเกี่ยวอะไรใจใจจะสงบความสงบของใจบางทาง่านบางคนก็เหมือนตกเหงือ หยุดลงไปน้ำแทนน้ำคนตเหมือนถึงก้อนหินก้อนดินลงไปในน้ำใส่ใจังไใจลงไจถึงพื้นหยื่อความสงบแต่นันจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนั้นอาศัยสิ่งที่พิบัติอ่าทราบจะเข้าใจจัดเจือเพังเจือเองไม่เจือนคนทํเจือต่างเห็นตัวต่างชนเมื่อมันสงบจนถึงผิ่ของมัน หุดใจหนเอลยคแบ่งสตามเวลาถ้ามันหยุดเป็นหนึ่งไม่ได้คิดไม่ึงอะไรนอกจากทำเลือกสุดอย่างเดียวกายทั้งกามันกลมเลยนุ่มแต่มันนั่งมันยืนมันนานมันเดิมอยู่ที่ไหนคือมันทายตัวหมด เรื่องเน่าจากกายที่เราไปเลาต้อ่พูดตัวเรื่องท้องใจที่มันอยู่เดี่ยวันี้มังกลางใจแก่ได้หมดจุตมันว่างนั้นลเลยเกี่ยวข้องกั บ, กบเสียงอะไรมันอยู่เฉพาะเรื่องของมันถ้าหากมันไม่ถอนจิมาเมื่อไร นั่นอยู่อย่างนั้นนั่นจะไม่มีการขาดสันยาวนานขนาดไหนนั่นไม่มีตารเหนืเหนื่อหมุดหือเรมมีการเจ็บปวดพ้าใจมันเหนื่ยมันยื่นเกี่ยวออกนะข้างนอกมันสงบเดี๋ยวมันสงบถึงที่เท่านะถ้ามันถอนออกมามันจะมีกำลังนางคนพอถอนขึ้นมาจากนั้นนิดหน่อย อ่หอหูสิ่งต่างๆทั้งยังวะอุปจาระคือเอ่อหออกเข็มจติโยนาอะไรในเรื่องของใจนั้นก็เกิดอุปาหะขึ้นได้หูติดหูติดตาจติโยนาเรื่องต่างๆที่เคยส่างใจมาก่อนนั่นก็จะมีทำผุดขึ้นบอกว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้นจนเราในเคยคาดฝันมาก่อน มันเพิมขึ้นจากจิตจาใจสิเพ่งจากจิตจาใจสิฝึกปฏิบัติความสุความสบายอยุดเราหยิเราเต็อย่างนั้นเราเคยห็นเคยเต็มมาก่อนมันก็อัด้เต็ามสุดเี้งนิดนึงมหตใครดูไจะไปที่ไหนมีเงินจีบแสนบานไปจ้างดูมันก็นน ถ้ามีใครที่จะเอาออกเรงให้คนดูออกร่าให้คนดูความที่ฝึกเชื่อปฏิบัติแถวนั้นจเห็นความเย็นความสุขความอัศจรรย์ทั้งใจเมื่อมันเห็นอย่างนั้นความเชื่อความเื่อนใสอยากจะแต่ทำมันเพลินมันเกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อนั่น ในจิตในใจแต่นักขุนนั้นยังมีอยู่เราต้เทศปฏิบัติเราดูเราเห็นความสงบเย็นของใจแตกไปจากราคะตัณหาเชื่อระยะเวลาสั้นเราเห็นแล้วเ้าพอใจแล้วเห็นเป็นอย่างนั้นความเคียร์พยายามที่จะดฏิธรราให้เห็นให้เป็นอย่างนั้นนั่นก่็มีกาลัง ทวีคุณพระทุกคนชอบความสงบชอบความสุขชอบความเย็นข้งใจแต่เราไม่เคยเห็นเคยจนมานเคยเจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มาแล้วคนจะดีจะสุขจะส บ, บายเราเคยติดด้านรัถึกด่านสมุ ด, นนดข้างนอกมาพอแล้ว ยืมยืมหาสแสวหาได้มาแล้วสห็นตาถนาไหมความฝึกทัองใจคือมันเป็นอย่งนี้มันดีในคุณค่ายิ้มจ่าสิ่งที่เราเคยได้มาเคยเห็มาไหม น, นันจะทราบได้จากการปฏิบัปฏิบัติทั้งตัวแตนั้นคือที่ปฏิบัตปฏิบัติตามอัตธรรมที่ประบุติเจ้าเชิงสอนจริงจังหยุดทำ ในจิตในใจทำจริงไหมอภิจารอะไรในโลกถ้าโลกอันนี้ถ้าหานายเห็นอาจเห็นทำโดยการประทัตปฏิบัติแล้วในแขนไหนอะไรใหญ่โตเท่ากับการปฏิบัติปฏิบัติธรรมงานอะไรในโลกจะสำคัญเท่ากันและชีวิตในนี้งานเหล่านั้น ถึงนีอยู่ทั่วโลกว่อตามเป็นงานที่หนัําคัญงานสาคัญคือการชำระจิตหลุการบำเพ็ญภาวนาการชำระใจของตัวทนจิตไม่ยุ่งเสี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากจะมีที่เจรณาธรรมะชำระใจของตัมีสถานที่ได้ทะเบยนการบำเพ็ญภาวนาชำระจิตหลท่านอยู่ได้ถึงที่นั้น จะคัดขันถึงผิงนั้นจะอดยาจากเช่นไม่ใช่เบียดทางกายต่ตา่างแต่ใจทั้งท่งานสมดุลสบ้ายในการที่นิจใจมาทาอยู่ได้ทำาทนถืองานอื่นจนงานทั้งท่านยิ่งกว่าทำายที่เบียดัองท่านนี่คือ เ, เู้ปฏิบัติ ใส่ใจในอาบในทำทำในอัธยาศน์อะไรนอกจากทาละใจหงดหิดเกจากี่เลสเมื่อนอนภาวนานทำละใจอยู่ตลอดเวลาเน่าทำอยู่บ ja. th ่อยทำละอู 1, 8, and 5, and again, now, ่บ <c oughs> ่อยใจมันกาสะอาดเน่าใจมันสะอาดก็สามารถที่จะรือจักเห็นสิ่งต่างๆมาที่ตกมา อยู่มาเกาติตกับจิตกับใจหมายถึงว่าอารมณ์ต่งางๆที่เกิดมาก็ดีโกดขึ้นก็นดีทำให้เห็นชัดโจนว่าสิ่งนีงเนนงงน้เป็นอย่างไรแล้วก็เชื่ยวข่ายทำสิ่งทีน่นี่คือมันสะอาดทางจิตทางใจใครใจฟังอย่าเอาเหนื่อยอะไรเป็นอย่างนั้นมันเกิด ไม่สะอาดแตมันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมมันเพิ่มสูงถึงในชอบมันก็ยังเปิดอยู่มันเลอมันเหลงกว่เหมือนกันถ้ามันไม่สะอาดจิตใจอะไรตกลงมาจะไม่สะอาดแบนี้ตกลงมาเมื่อไรเหมือนกันกับต่ามันเหน็ดทึบล็อเป็นที่มีมันอาศัยได้ เมันอาศัยไ่ายมันก็อยู่ได้ทังตัวใหญ่ๆมันมีอะไรปิดบังข้ามันสะอามันสะอาดเร่ถ้าเจของสะอาดจริงังว่าเป็นเจ้าของใหญ่โตขนาดนั้นแม้แขนหรือขนตกลงไปแล้วก็มาเหินได้ว่าอันนี้ขนขนจนจนขมถหามันจะเจอต่างเพื่อหาที่ไหนมันจะเจอให้ถ้ามันรก ใจสะอาดจึงเป็นจิตสาธารณะของบัณฑิตถวายการชำระใจทุาใจสะอาดแล้วราชาัญหาหน้ทิศที่ต่างๆที่เกิดขึ้นธรรม้ามากจึจะบรรจัดตัดใสออกไปเกิดชิดกดไทยลรควมจิตใจทั้งท่านนี่คือการประพฤติปฏิบัติการชำระใจทุกคนมีหน้าที่ที่จะชำระ สระสังเชื่อของตนได้โอเ่ะเป็นหน้าที AIDS ่ของพระพุทธเจ้าหรือพาะริยะเจ้าหรือเป็นหน้าที่ของชาตของหนงคนที่ยากนาความสุขอย่าไปหาความสุขที่อื่นให้หาความสุขจากจิตจากใจของตนคือกามกำหนดที่จมาการศึกษาการศึกษาสิ่งที่ชั่วออกไปจากใจโดยธรรมะคือพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ นำมาแก้ไขขับไล่สิ่งผิดใจสิงส่งผิดคิดยะต่งตจจางๆให้จบออกใจใจจะสงบใจจะย็นจะเห็นความสึกเนีย่ยมีความฝึกในตัวแล้วถึงสิ่งอื่นจะไม่มีขึ้นก่อตางถ้าความฝึกของทรรนั้นไม่อาศัยรับถุมันมีอยู่ภายในของมัน อย่างไรนั้นผู้ปฏิบัติจะทราบจะเข้าใจโดยการปฏิบัติของตัวถึงคนอื่นเขาจะปฏิเสธอะไรมีบ้าเด้อนับผลอะไรจะมีศาสนาผ่านมาสองพันกว่าปีแล้ว้าใจว่าเล่นปากใครฉีดก็ว่าใครเถอะหากเราจะเพืปฏิบัติดูเห็นจนในจิดในใจทั้งเรา เนเลงปากของเขาแล้วมาดรียนไหอะไรกับเขาเราพอใจเชื่อมันม่นธรมะนั้นเป็นอัาริยโกชีเท่าไหนมีการมีสมัยต่างตางนาต่งางซาปฏิบัติรักษาเราต้องเหวิต้งเชื่ง้ย่นต้องสงบถ้าเราปฏิบัติาาม า, า, า, าเรารู้เราเหวินแทบจนในจิตม่ใจใครจะมาเราบ้าเาอย่างไร เปนเรื่องของเขาเข้าใจผิดนี่คือเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเรามันมั่นในใจอย่างนั้นในวอกแวกไปเริ่มามเริ่มากของเขาใช่แต่สำหรับเห็นยอมยรสึกจะิินาโดยอนาจปัญญาโดยอำนาจจิตปกติไม่ได้รับเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราได้รับเอาใจเงไโดยหนักหน่วง เม่เกิดทุกข์เกิดโทษนีเราหล่าเราลดอะไรเกิดอึมืตกเทดททุกข์อมันผายใจเราไม่ทราบท้องห่อไมดีมาเราก็รับเอา้อเหนื่อยท้องเหนือยท้องเหานท้อง้นแผลถายใจท้งร้นเม่เกิดทุกข์เกิดโทศขนาดนี้จะยังรับเอาอยู่ตัมยาขี่หมาอะไรจรินใช่ลักใจของตัวไหนได้มันก็ควรที่จะสอใจของตัวสิงที่เชื่อสที่เสต่าง ่าเห็นก็ดีนีอได้ยินก็ดีแต่จิตมีส upid, so huh stand, ันนิษฐานจิตมีป you know ัญญาจะไม่รันไปจึงเหล่านั้นไม่ยดแเราก็ไม่รับเอาดีมีประโยชน์เราก็รับเอามาทึ่งพเจารณามีเป็นแบบเชียวคนมีปัญญาเรื่อจักรดีเชื่อผิดถูกมีปัญญาของเราเป็นแบบนั้นอะไรจะรับเอาหมดมันจะไม่เกิดโทษเกิดทุกข์ในจิตในใจ ดังัการปฏิบัติกายใจทง่วจึงเป็นเรื่องสคัญธรรมะสอนพวกเราท่านให้พิจารณากายพิจารณาใจพิจารณาอย่างไรใจจึงจะสงบใจจึงจะเห็นแจ้งและถอนพิเรตปัญหาได้ก็อย่างที่อธิบายมาสำเน็บทญาณิสัมือกําหนดลมหายใจใใจเย็นได้ พักได้เชือกกอนเนี่ยถอดถอนมาก่อิจารณาธรรมะปิจารณาหาความจริงของมันในถาดในขันในท้าบตามเป็นจริงของมันจิตใจของพวกเราทนจะถอดถอนอย่างราคาต่าหาต่างหรือเลงไหลส่ขันในสิ่งอย่างนั้นตัวตัวขงองตัวเป็นอย่างไรตัดอื่นเพื่อไปมันก็เป็นอย่างนั้น โลยแทเถื่อใจรู้แจ้งเป็นโลกวิธีแจ้งรลกรู้ใจของตัวเถื่ถึงเแนั้นโลกเถื่อไปแจ้งไปหมดประจับไหมดเหมือกัไปเียวดูไปเถืนั้นปเถอนนี้เขียว่ะรโลกเป็นลกวิธีมันจะรู้แจ้งอะไรใ้าใจของตัวในแจงในสว่างถ้าทำจิใจของตัวให้แจ้งให้สว่างเป็นลกห์กลวิธีโลกไหนตัวตาม กอดีนมนเโยนไปท้องสับาหลกหน่เนลกเหมือนหลกทุกหลกลำบากเหมือนกันมมนมีที่ไหนที่จะถุกไจยนให้าาใจหลงใจจิตใจข้องใจยึดใจถื อ, อยังที่เจนะตัวแขง็งตัวเปกถึงแนี้โลกมันต่อแากไปหมดเปียก ถ, ถึงไปหมด ถ้าเรอหลงตัวคร่องตัวร่อตัวเคร่องตัวเพื่อถึงตู้โลกเพื่อถึงนี่เราหลงถ้าเราไม่มีธรรมไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีวิชาเพื่อมาเกิดยนมุตเนี่ยราเกิดยีมุตหยุดจยุดยีมุตนั่นก่อ น, ำ ท, นำทุกนั่นเพื่อนมาให้อยู่ตลาดไปแต่การที่มีที่จะมาการศาึกษา จึงเป็นอย่างสำคัญควรเปลี่ยนเรท่านจากที่ไม่ขึเนใจมาฝึกอบรมกายรากาใจทั้งตัวเนี่ยคนใดสั่งหน้าตัางตาศึกษาสมรู้ใจทั้งตัวคนนั้นแหละจะเป็นคนที่มีคุณค่าสาระสูงในตัวทั้งตัวถึงสมบัติพระศาสนาสิ่งของเงินทองจะไม่มีัก่าม แต่ธรรมะความฝึกความสงบความเย็นของใจนั้นจะสร้างในตัวของตัวหนดดยากหนดทุกข์หมดสงสัว่าจะมีอะไรดีเกิยิ่งกว่านี้ความดากหนนี้ทุกมันเนี้กาถเห็นของใจงใจิตวันออกไป จากเต็มมืดเต็อย่างไรกต็มเหนื่ยเต็มใสจะบรรเทนอะไรอีกจะละอะไรอีกท่นก็ทราบเพราะละสปละไม่หมดแล้วบรรเทนจะได้บรรเทนเตนแล้วตายรู้อยู่จึงไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวดีใจเสัวใจกับการเป็นอยู่หรือวามตายไป พอใจถึงความบริสุทธิ him, <ock Nearly zin> ์นี่คือการประเทศปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนคนจิตถือปฏิบัติตามธรรมสอนของพระพุทธเจ้าถือว่างานชำระจิตหลกเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นแล้วคนนั้นมีโอกาสเวลาที่จะถึงจุดจิตบริสุทธิ์ได้ ถ้าอาเห็นเรื่องอื so? ่นเป็นเรื่องสำคัญยื่งกว่าการชระใจทั้งตนนั้นคนนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะไปเจอธรรมะธรรมวจิตต์ได้นี่ธรรมครรมแนของผู้ใจเจ้าแสนเลยนะสื่อกายสื่อาสื่อใจของพวกเราเราทุกคนจะมีกายาตใจเดียวกันไม่ว่าสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบัน ความหลงก็หลงในสิ่งที่มีอยู่หลทงตัวใจทั้งตัวเห็นเหนอแกะไขจิตเแนือจะแกะไขทหนแกะไขจิตใจจิ่ใจเก็บใจเก็บตายราคาตัหามีอยู่ที่ไหนต้องยามขับไล่าที่ทเอราะสลักใจให้เห็นตามเป็นจริงทั้งมันเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วความสงสัย มันจะไปอยู่ได้อย่างไรพอเห็นตามจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นอย่างไรก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเหนยเดี๋ยวสงสัยแล้วมันจะเป็นอะไรอีกหนึ่งมัไม่รู้ไม่ใส่ใจอย่างนั้นมันจึงสงสัยรุ่ยใจเจ้าเลยเงาดแผ่จิตใจให้ความสุกยิ่งในเกิดเห็นเป็นในใจ เป็นสวายฮะึใหม่มาเป็นความุกเบิดใส่ิ่งนั้นเบิดใสจิ๋นนี้พราะนินนั้นนักัก่นางเลยแนั้นจิตใจของแต่เราท่านทุกบังท่านนเดียวกันถ้ามันเดดไสอันนั้นอยจะฝุกบิส่อันนี้อยากจะฝึกที่ฝึกนั่นหมลังให้รูปตังอนจังรูตังอนัตตาเวทนาสัญญาทังามินยานก็ท่านนันะ จะไม่มีอะไรี่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้ไม่มีอะไรที่จะบังคับบัญชาได้มันเป็นไปตามธรรมชาติแทบฉันทงมันแต่ก็ยังยึดนั่นทมแนเหลืองไหลใ่ันมันจะเปิดทุกข์เกิดเดิดอย่างไรเพาความเหลืองในใจใจตามเป็นจริงทังมันละแหาความร้อนมาเผาตัวของเราเองไม่ใช่หรือเลือเย็กลิ่นรดในโลกมันมาเผาเรา ความหลงของเราวยึดงเราถนั้นทำให้เราเหวี่ยงทำให้เราหลุดหลงทำให้เราไม่สงบจึงสารเหว่ยงเามาภายในดูใจทั้งเสียทั้งยันใจทั้งตัวยที่นาหาหลักฐานจสาริดผลจึงสันใแก่ตกเรื่องจิตเรื่องใจนั้น ขอทุกท่านจงนำไปที่นิพวยานศึกษาตั้งนาตั้งตาปฏิบัติประประสบคดเห็นกับความสุขความเจริญการอธิบาตธรรมเห็นยาขอต้งควรเวลาไุจเพียงแต่นี้เอวัง